สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดตอนร้อยเรียงครับอุปมาตอนที่สามนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสทบทวนเกี่ยวกับอุ ป, ปมาเมื่อเราร้อยเรียงกันขึ้นมานะครับก็จะสามารถแยกแยะออกไปนะครับเป็นสี่ประเภทหรือสี่กลุ่มนะครับที่เราเราได้กล่าวไปทุกวันทุกวันทีนท่ผ่านวันนี้กลุ่มแรกก็คือ เป็นเรื่องราวของราชนจักรของพระเจ้าที่มาถึงมาถึงโลกนี้กลุก่มที่สองก็คือเป็นเรื่องของพระคุณของราชนานจักรหรือแผ่นดินของพระเจ้ากลุ่มที่สามก็คือผู้คนที่อยู่ในราชนันจักรนั้นหรือผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านั่นเองกลุ่มที่สี่ครับก็คือวิกฤตของแผ่นดินของพระเจ้าหรือวิกฤตแห่งราชนันจักรของพระเจ้าพี่น้องครับ ผมทบทวนตรงนี้นะครับจะทําให้พี่น้องได้มีโอกาสําลึกหรือทบทวนคิดย้อนกลับไปสิ่งที่เราได้เรียนรู้อสองวันที่ผ่านมาแล้วนะครับการมาถึงของการนดินของพระเจ้าเรารู้นะครับว่าพระเยซูนั้นเป็นคนที่เริ่มพนักิจของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าของแห่งแผ่นดินสวรรค์เป็นผู้ที่ทําให้แผ่นดินสวรรค์นั้นได้มาตั้งอยู่ในโลกนี้และโดยพระเยซูเองนั้นพระองค์ก็ทรงอธิษฐานทูลขอพระบิดา นะครับตามแบบอย่างของคำอธิฐานที่พี่ไอ้ทูนสอนพกเรานะครับก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์หรือแผ่นดินสวรรค์หรือราชันจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับแผ่นดินสวรรค์หรือราชันจักรของพระเจ้านั้นมีความหมายก็คือเป็นการครอบครองหรืออํานาจอันไป็นใสูงสุดของพระเจ้านั้นเป็นของพระองค์และเป็นผู้ที่เป็นราชาหรือเป็นผ้าหางกระสัของแผ่นดินนี้ พี่น้องครับการมาของแผ่นดินสวรรค์ซึ่งเป็นอุ ป, ปมากลุ่มแรกนะครับก็คือทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าการปกครองของพระเจ้าเริ่มต้นโดยการที่พระเยซูเกิดในโรงวัวเล็กๆนะครับหรือที่เรียกว่าในเมนเจอร์ก็คือในรังย่านั่นเองครับและต่อมาก็เริ่มเกิดกับชีวิตของชาวประมงแรกๆก็เป็นชาวประมงสองคนสี่คนต่อมา นะครับไปถึงกลุ่มของคนที่เก็บภาษีครับนะครับแล้วก็ขยายตัวไปเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้าที่นี้ครับแผ่นดินของพระเจ้าในที่สุดก็เติบใหญ่นะครับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องอุปมากุปมที่สองครับก็คือพระคุณนะครับพระคุณของแผ่นดินพระเจ้าหรือพระคุณของราชแห่จักรของพระเจ้านั่นเองแผ่นดินของพระเจ้าหรือราชแห่งของพระเจ้า เป็นเรื่องของพระคุณครับพระคุณคืออะไรครับพระคุณคือสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับแต่เราอย่างได้รับอยู่พระคุณตรงนี้ทําให้เรารู้นะครับว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเนีมอบให้กับเราทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงเลือกเมื่อถึงเวลาพระเจ้าทรงเรียกคนที่พระองคได้ทรงกําหนดไปแล้วทรงเลือมไว้แล้วเพราะฉะนั้นในตอนท้ายของข่าอุปมาณเกี่ยวกับพระคุณนะครับของแผ่นดินพระเจ้าหรือพระคุณที่อยู่ในราชจิกธของพระเจ้านั้น คำสดท้ายหรือตอนท้ายของคองอกมาแต่เรื่องจบลงด้วยคําว่าปรีดีครับนะครับปรีดีหรือคําว่ายินดีนั่นหมายความว่าจบลงด้วยดีครับจบลงด้วยความชื่นชมยินดีจบลงด้วยความสุขนะครับนั่นคือเมื่อคนรับแผ่นดินแผ่นดินของพระเจา้าซึ่งเป็นทุกคของพระเจ้าแล้วชีวิตของเขานั้นมีความสุขความชื่นชมยินดีนะครับมีความอจอยนะครับก็คือความ สุขความที่จุมดีมีชั้นที่สุดครับในวันนี้ครับเราจะจะมาอยู่ในหัวข้อที่สามครับก็คือผู้คนที่อยู่ในราชสักนี้หรือผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านะครับและในวันพรุ่งนี้เราก็จะพูดถึงวิกฤตของแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปเพื่อน้องทับคนที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าหรือคนที่อยู่ในราชสักของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นอย่างไรนะครับประการแรกครับ ที่เราสรุปจากคำกลุ่มมาทั้งหลายของพระเยซูนั้นประการแรกก็คือคนที่จะเข้าสู่แผนดินของพระเจ้าหรือผู้คนในแางใจของพระเจ้านั้นจะต้องทําการตัดสินใจครับทําการตัดสินใจในเรื่องอะไรก็คือการทําอำการทําการทําการตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าหรือไม่นะครับคนที่จะเลือกเข้ามาอยู่แผ่นดินของพเจ้านั้นเขาจะต้อง เห็นคุณค่าเห็นความสาคัญนะครับสูงมากเมื่อเขาเห็นคุณค่าหรือเห็นความสําคัญของแผ่นดินสวรรค์สูงมากจากเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในไข่มุกที่มีราคาแพงมากนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วเราจะต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของแผ่นดินสวรรค์สูงที่สุดครับและเมื่อเราเห็นคุณค่าสิ่งที่สูงที่สุดเหมือนกับไขมุกที่มีค่า เหมือนกับเราพบผลทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นะครับเราจะต้องตัดสินใจเนี่ยครับคือผู้คนในแผ่นดินของพระเจ้าหรือผู้คนในราชสิทธิ์ของพระเจ้านั้นจะต้องทําการตัดสินใจเมื่อเราเห็นคุณค่าคําถามก็คือว่าเราได้เห็นคุณค่าจริงๆหรือเปล่าอย่างที่แผ่นดินสรวรรค์นั้นเป็นจริงๆหรือเปล่าคุณค่าตัวนี้ครับมีความสําคัญว่าคุณค่าตัวนี้สามารถทําให้คนนั้นทิงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งแผ่นดินของพระเจ้าหรือให้ได้มาซึ่งเป็นเพเมืองของโปรงเดียวกันครับถามว่าพระเยซูต้องการสาวกแบบไหนครับเราสามารถบอกได้ทันทีครับว่าสาวกของพระเยซูนั้นจะต้องเป็นสาวกที่มีความตั้งใจจริงครับโปรงไม่ปรารถนาสาวกหรือที่เตียนประเภทฉับฉวยครับประเภทฉับฉวยคืออะไรครับ ประเภทที่เหมือนกับในอุปมาเรื่องของการหว่านเมล็ดพืชครับนะการหว่านเมล็ดพืชเวลามีปัญหามีอุปสรรคเขาก็เลิกเชื่อนะครับเราจะเห็นชัดเจนเวลาที่รู้สึกว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วไม่ได้สมหวังของเขายังยากจนอยู่ยังมีความทุกข์ยากลาบากอยู่ความกังวลตามธรรมดาโลกยังมีอยู่ทําให้อะไรครับทําให้เมล็ดพืชที่หวานไปนั้นไม่เติบโต ที่สเสตียพวกนี้ครับเป็นที่สเสตียที่ไม่เกิดผลครับที่สเสตียพวกนี้เป็นที่สเสตียนที่เรียกว่าฉาบฉวยนะครับไม่เหมือนกับดินใจที่ดีที่รับมาลแล้วเกิดผลสามสิบเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างนะครับพระเยซูไม่ต้องการสาวกประเภทฉับฉวยพี่น้องโปรดจำไว้ให้ดีนะครับพระเยซูทรงเตือนเขาเขาอย่างซีเรียหรืออย่างจริงจังให้เขาคิดรอบก็ คิดให้ดีครับคิดถึงคนที่ติดตามมาแล้วคุณชั่งน้ําหนักแ๋ยวเมื่อเราชั่งหนักแล้วเราจะเห็นคุณค่าที่จริงๆของแผ่นดินสวรรค์คุณค่าที่แท้จริงของแผ่นดินสวรรค์น่ะมันสูงส่งเพียงใดสมควรไหมที่เราจะเลือกแผ่นดินสวรรค์ น, นี้สมควรไหมที่เราจะเสียเสียสละชีวิตของเราอุทิศให้กับแผ่นดินสวรรค์ น, นี้เพื่อที่ได้มาซึ่งแผ่นดินสวรรค์ น, นี้นะครับเพื่อจะชูเตือนเรานะครับในการที่จะคิดให้รอบคอบ และคิดถึงผลที่จะตามมาก่อนทำการตัดสินใจทำาอปมานี้ก็คือเรื่องของการสร้างตึกและการท ำ, ทำสงครามครับซึ่งเราจะอธิบายในภายหลังให้ละเอียดชัดเจนมากกว่านี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่28นะครับเพียงครับในขณะเดียวกันผู้คนของพระเจ้าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต่อไปครับชาวบือผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าหรือราชจักญของพระเจ้านั้น จะต้องมีความสามารถมีศักยาภาพที่จะผสมผสานปัญญาของยุคเก่าปัญญาของยุคเก่าก็คือสติปัญญาความรู้ต่างๆนะครับของยุคพระคัมภีร์เดิมและสัจธรรมของยุคใหม่ยุคใหม่นี่หมายถึงยุค ข, ของใครครับยุค ข, ขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองในทนญญางตัสรู้ธรรมะใหม่โดยสรุปแล้วหมายความว่าสาวกของพระเยซูนั้นจะต้องผสมผสานพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่เข้าด้วยกันให้ได้ อุปมาเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของทรัพย์เก่าและทรับใหม่นะครับอยู่ในมัทธิวบทที่สิบสามซึ่งเราได้ผ่านไปแล้วเพียงกับเราจะต้องสามารถที่จะผสมภาษาและเข้าใจนะครับยุคเก่าและยุคใหม่บางคนถามผมว่าทําไมพระเจ้าในยุคเก่านั้นถึงมีความเหี้ยมโหดดุร้ายจังเลยทําไมพระเจ้าในยุคพระกัมพีใหม่นั้นจึงไม่ค่อยเหี้ยมโหดดุร้ายเหมือนกับพระกัมพีเดิมนะครับพี่น้องครับเรื่องนี้มีคามําตอบครับ ครับเมื่อพี่น้อ ง, งฟังไปเรื่อยๆพี่น้องฟังไปเรื่อยๆผมจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าทําไมพระธรรมปีเดิมพรีเซนต์หรือนําเสนอพระเจ้าในรูปแบบหนึง่งและทําไมพระธรรมภีใหม่ถึงได้นําเสนอพระเจ้าในรูปอีกรูปแบบหนึง่งแท้จริงขัดแย้งกันเหมือนกันต้องอธิบายครับพี่น้องครับต้องเข้าใจชัดเจนเราทั้งหลายที่เป็นสาวกนะครับเราจะต้องเป็นผู้ที่ใช้พระจารย์ของพระเจ้า อย่างถูกต้องนะครับเราต้องตระหนักว่าเราทั้งหลายเป็นคนรับใช้พ ร, ระเจ้าครับเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ที่รับใช้พระเจ้านั้นจะต้องสำแหงแดงออกด้วยการเชื่อฟังนะครับด้วยการเชื่อฟังและการปฏิบัติรับใช้อย่างไม่มีข้อแมผมชอบคํานี้นะครับว่าปฏิบัติรับใช้อย่างไม่มีข้อแมพี่น้องชาวหลายหายท่านหลายหลคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยในหลายครั้งทีเดียวมีความรู้สึกว่า ถ้าจะรับใช้พระเจ้าขอข้อแม้ตั้งเงื่อนไขกับพระเจ้าครับซึ่งจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเราควรปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับขัาอุปมาต่อไปก็คือเรื่องคนต้นรุนอาชรในพระธรรมลูกาบทที่สิบหกแสดงให้เห็นว่าคนในแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นคนที่มีปัญญาครับแต่ไม่เพียงแต่จะมีปัญญาเท่านั้นจะต้องประกอบด้วยความเชื่อที่มั่นคงด้วย น้องคับความเชื่อที่มันคงก็คือความเชื่อที่ถูกรักษาไว้จนถึงที่สุดในวันสุดท้ายนะครับและมากไปกว่า น, นั้นครับเราจะพบว่าในคําอุปมาของผู้คนแผ่นดินของพระเจา้าจะต้องมีอุปนิสัยที่สําคัญก็คือว่าเป็นผู้ที่ยอมให้อาภายัยนะครับยอมให้อาภัยคนอื่นเสมอและเป็นผู้ที่เปลี่ยนด้วยความรักที่ไม่มีขอบเขตหรือความรักที่ไม่มีไม่จากัดับ เช่นชาวสมฤติใจดีพี่น้องจำได้ไหมครับว่าชาวสมเฤยแใจดีนั้นพระเยซูถามว่าใครเป็นเพื่อนบ้านระหว่างคนสามประเภทในที่สุดแล้วพระเยซูได้รับคําตอบจากสาวกก็คือชาวสมฤตนั่นเองเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นนั้นพี่น้องครับสุดท้ายในวันนี้ก็คือพระเยซูได้สรุปลักษณะชีวิตของคนในแผ่น ด, ดินของพระเจ้า ด้วยคําอุปมาณเรื่องรากฐานสองชนิดที่ปรากฏในมัตสิวบทที่เจ็ดนะครับลูกาบทที่หกครับรากฐานสองชนิดนะครับก็เป็นสรุปลักษณะชีวิตของคนในแผ่นดินของพระเจ้ารากฐานสองชนิดสามารถบอกได้ ว, ว่าเราจะต้องมีชีวิตที่เชื่อฟังและทำตามนะครับการมีชีวิตที่เชื่อฟังและทำตามองพระพุทธเจ้าพระเยซูซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินสวรรค์ เป็นผู้ที่นําแผ่นอินทรีย์มาตั้งอยู่ในโลกนี้นั้นทําให้รากฐานนะครับในชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นสายพวกนั้นเดินอยู่ในความปลอดภัยความมั่นคงในทางของพระเจ้าชีวิตเราจะมีความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ในพันธสัญญานะครับพันธสัญญาของพระเจ้านั่นเองคําว่าพันธสัญญานั้นเป็นมีความหมายลึกซึ้งครับก็คือเป็น สัญญาของพระเจ้าที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าอยู่ในเงื่อนไขของพระเจ้าน้องรับโปรดอย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นคนที่วางเงื่อนไขนะครับเราซึ่งเป็นมนุษย์ไม่สามารถวางเงื่อนไขกับพระเจ้าได้ครับและเราต้องมีชีวิตที่เชื่อฟังและรมตามชีวิตของเราจึงจะอยู่ในความมั่นคงปลอดภัยในพันธสัญญาของพระเจ้าเราจะสามารถตีฝ่อุปสรรคขึ้นลมความลาบากสียงต่าง ที่เข้ามาในชีวิตการรับใช้พระองค์ในชีวิตที่เราเป็นสาวกของพระองค์อาเมน